ดีดีธรรมบัญญายชุดช่วยกันนําพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยรัพร์คุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวศั ก, กวรรณตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบสี่ การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมบรรยายเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2542การสมุนระเพ็นกุศลในวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคือความกตัญญูกะตะเวทีแสดงว่า เจ้าภาพทุกท่านมีความระลึกถึงอุปการะคุณของท่านอาจารย์ป่วยและพร้อมกันนั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติตามหลักบูชาจะปูชนียานนะังคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือถ้าจะทับศัพท์ก็แปลว่าการบูชาปูชนียบุคคล สองอย่างนั้นก็มีความสาคัญด้วยกันทั้งครูจะมีข้อที่ต่างกันอยู่ในตัวระหว่างธรรมะสองอย่างนี้ความกตัญญูกะตะเวทีนั้นเน้นที่ตัวเราผู้ได้รับผลเห็นความดีของท่านว่าท่านได้เคยทำประโยชน์อะไรให้แต่เรา โดยส่วนตัวบ้างโดยที่เรามีสังกัดหรือเป็นส่วนร่วมอยู่ในสถาบันบ้างหรือแม้แต่ในสังคมนี้เราได้รับผลบีนั้นเราแสดงออกเราลึกถึงคุณและพยายามประกาศให้ปรากฏเป็นการตอบแทนน้ำใจของท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความกตัญญูกตวเวที ส่วนเรื่องการบูชาตูชนียบุคคลนั้นจุดเน้นอยู่ที่ตัวท่านเองคือเรามองที่ความดีที่ท่านมีอยู่ที่ท่านได้กระทำซึ่งทำให้ตัวท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติดีงามน่าเคารพน่าบูชาเราเริ่มถึงคุณความดีของท่านประโยชน์ที่ท่านได้บำเพ็ญซึ่งเป็นคุณสมบัติในตัวท่านอันนี้ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นอีกมากมายเช่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นอันจะเป็นแบบอย่างแก่สังคมแก่อนุชนสืบต่อไป <c oughs> เราก็จึงได้มาแสดงออกเป็นการบูชาการบูชานั้นที่ดินในภาษาบาลีก็ตรงกันกับคำไทยง่ายๆว่า ยกย่องนั่นเองที่ในภาษาไทยเนี่ยเรานึกว่าบูชาเนี่ยเหมือ น, น่กับว่าเอาไปขึ้นหิน้งหรือขึ้นแท่นบูชาแล้วก็กราบกันอย่างนั้นแต่ว่าคำภาษาบาลีคําว่าบูชานะั้นความหมายกว้างยกย่องคนที่เขามีคุณความดีสมควรแก่ฐานะนั้นๆเราก็เรียกว่าบูชา ใครทำความดีไม่ว่าเขาจะมีฐานะมีตำแหน่งอะไรหรือไม่เราให้เกียรติที่สมควรเก่รเขาเราก็เรียกว่า บ, บูชาแต่าภาพาขอยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยก่อนพุทธกาลอีมีเรื่องในชาดกมาเล่าถึงว่ามีในคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นคนยากจนแล้วเขาขยันวันเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสุจริต เป็นหลักเป็นฐานที่มามีเงินทองมากสมเด็นภาษาบาลีบอกว่าพระราชาก็ส่งบูชาในคนนั้นด้วยตำแหน่งเศรษฐีมีคือการบูชาบูชาก็คือการยกย่องให้เกียรติสมควรนั่นภาษาไทยในยบางทีเราใช้กันก็ความหมายก็แคบลงไปแคบลงไป ในการบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะได้นามาย้ากันมากเป็นพิเศษในยุคนี้เพราะการที่เราบูชาคนควรบูชาคนที่ควรบูชานั้นก็คือคนที่มีธรรมะนี่ถ้าพูดสันส้นๆเราจะบอกว่าท่านเป็นคนมีคุ ณ, ณธรรมมีความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราจะพูดให้สั้นที่สุดก็คือว่าท่านมีธรรมะ นี้เมื่อเราบูชาคนที่มีธรรมะเนี่ยก็หมายความว่าเราบูชาตัวธรรมะนั้นด้วยธรรมะนั้นมาแสดงออกที่ตัวบุคคลกลายได้ว่าคนนั้นน่ะเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของธรรมะเป็นสื่อเป็นที่แสดงออกของธรรมะเราต้องการจะบูชาธรรมะเราก็บูชาคนที่มีธรรมะ หรือคนที่เป็นสื่อแสดงออกของธรรมะนี้ธรรมะนะั้นเป็นสิ่งสาคัญที่จะดำรงรักษาสังคมมนุษย์ถ้าสังคมมนุษ ย, ไ ย, ยรร์ไม่ยกย่องเชิดชูธรรมะไม่ยกย่องความจริงความถูกต้องความดีความงามไปแล้วสังคม น, นั้นเองก็จะวิปรา้าดในที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้ละสังคมที่ดีจะต้องเชิดชูธรรมะแต่จะเชิดชูธรรมะได้อย่างไร ธรรมะนั้นก็ต้องมีที่แสดงออกคือมาแสดงออกที่ตัวคนคนไหนในธรรมะเราก็ไปชวนกันยกย่องให้เกียรติเพื่อจะส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมหรือการมีธรรมะนั้นได้ขยายกว้างขวางออกไปในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงยกย่องสรรเสรินและย้ำความสำคัญนะ เรื่องการบูชาคนที่ควรบูชาบางทีเราพูดกันเรื่องนี้ทางฝ่ายธรรมะหรือทางฝ่ายพระพูดไปบางทีก็มองข้ามกัไปเสียคือใช้แค่ว่าไม่ค่อยเห็นความสาคัญเห็นเป็นเรื่องหลักธรรมก็ธรรมะพอหนึ่งแต่ที่จริงสังคมยุคเนี้ควรจะให้ความสาคัญมากก็เลยขอย้ําพระพุทธเจ้าเคยกัดไว้ คนสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเขานิยมบูชาด้วยการบวงสวงเส้นไหวอย่างที่เราเห็นคำว่าบูชายันเนี่ยถึงก็บูชายันบูชายันนั้นคื อ, อย่างไงก็คือว่าเอาใจเทพเจา้าเอาทรัพย์สินสิ่งของแม้แต่ดีบิตเช่นบรือแพแฉะเนี่ยจำนวนมากมาย ยิ่งพิธีบูชายันพิธีใหญ่ก็ยิ่งต้องใช้ชีวิตจงเน้นมากแม้แต่ทั่งพิธีเอาชีวิตคนเนะี่ยมาสำรวยมาบูชาเทพเจ้าอย่างน้อยเขาต้อ ง, งมีกาบูชาไฟต้องรักษาไฟไว้ไม่ให้ดับเลยในบ้านนี้เพื่อจะเอาไว้บูชาเทพเจ้าเพราะบูชาเทพเจ้าได้ความหวังอะไรได้ความหวังโชคลาภ ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยช่วยให้สิ่งที่ตัดรันหาเจตนเองก็คือว่าโดยย่อก็คือว่าหนึ่งช่วยพ้นภัยตะลายสองช่วยบรรดาสิ่งที่ปัดทันาคนเราก็มีสองอย่างเนี่ยไป เ, เที่บบยวกราบไหว้เส้นสวงบูชาอ้อนวอนเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีฤทธิ์อนุภาพเหนือธรรมชาติแต่ว่า ที่จะนาดูการบูชานั้นวัตถุประสงค์ไปอยู่ที่สนองความต้องการของตัวเองคือเราอยากพ้นภัยใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากได้สิ่งปรารถนาก็ไปบูชาเทพเจ้าจุดเน้นไปอยู่ที่ความปรารถนาเขาตนเองพระพุทธจศาสนาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำซึ่งเราเห็นชัดและทุต อ, องชักชวนให้เลิกบูชา ย, ยัญ ไม่ให้ไปหวังผลจา ก, การอ้อนวอนทีพระเจ้ามาบันดาพระองค์กระยายหลักจากหลักเทพเป็นใหญ่มาเป็นธรรมเป็นใหญ่ซึ่งเราทราบก็บดีและหลักพุทธศาหนาจุดสำคัญที่สุดคือว่าย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เลิกนับถือเทพหรอกแต่ว่าให้เปลี่ยนฐานะนเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมนุษย์ แต่ก่อนเนี่ยมนุษย์ถือว่าเทพเนี่ยสูงสุดเทพบรรดาทุกอย่างเช่นพระพรหมเป็นต้นนี่เป็นเทพสูงสุดโนเบลเจ้าศาสราลูกแล้วก็สอนใหม่บอกว่าอย่าไปมัวมองที่เทพเลยในธรรมชาติเนี่ยมันมีความจริงของมันซึ่งเป็นไปตามธรรมดาเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่านเรียกง่ายๆว่าธรรมซึ่งเราแปลว่ากฎธรรมชาติบางอะไรบ้างเนี่ย เนี่ยในตัวนี้ทิสําคัญความเป็นจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาหรือธรรมนี่แหละเวลาเราต้องการอะไรเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยแล้วก็ทําเหตุปัจจัยจะทำเหตุปัจจัยได้ก็ต้องศึกษาเหตุปัจจัยให้ถูกต้องแล้วก็ทําตามเหตุปัจจัยนั่นผลสําเร็จก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือความจริงของเหตุปัจจัยหรือกฎธรรมชาติแหละจะใช้คํ า, คาเป็ น, นบุคลาภิฐานบรรดาก็ต้องอยู่ที่นี่แหละ ไม่ใช่ว่าเทพเจ้ามาบรรดาลตามที่พระองค์ปร์ปราพระเจ้าก็เลยย้ายจากเทศเป็นใหญ่หรือเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดบอกว่าเทศก็ต้องอยู่ใต้ธรรมะอยู่ใต้ความจริงของกฎธรรมชาตินี้ก็ให้ชาวพุทธเนีายมาสนใจเรื่องธรรมะแทนก็าธรรมะความจริงความถูกต้องที่มีอยู่ในธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยเป็นใหญ่ เนี่ยจุดสำคัญของพุทธศาสนาเมื่อให้ถือธรรมเป็นใหญ่แล้วมนุษย์ก็จะต้องพยายามศึกษาโดยเฉพาะก็คือพัฒนาปัญญาของตอนให้รู้เข้าใจตัวธรรมะที่ความจริงของกฎธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของกฎธรรมชาตินั่นเช่นตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเมื่อต้องการผลนก็ต้องทที่เหตุปัจจัย จะทําทเหตุปัจจัยได้ถูกต้องก็ต้องศึกษาให้เกิดปัญญารู้เหตุปัจจัยนั้นก็เลยต้องให้มีความเพียรพยายามแล้วให้หวังผลสําเร็จะการกระทําจากหลักธรรมเป็นใหญ่เนี่ยก็ตามตามมาได้หลักที่ให้หวังผลจะการกระทําและให้มีความเพียรพยายามแทนที่จะหวังผลจะการอ้อนวอนดวงสวงก็ให้หวังผลจะการกระทําและก็ทํารมด้วยความเพียรพยายามและก็ต้องศึกษาต้องพัฒนาปัญญา หลักกายศิกขาก็จึงมาเป็นหลักการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาแล้วเมื่อคนเราปฏิบัติถูกต้องตามกฎธรรมชาติการปฏิบัติของคนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงกธรรมชาตินั้นาก็เรียกว่าธรรมะนั้นธรรมะก็เลยมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งธรรมะความจริงที่มีตามธรรมดาตามกฎธรรมชาตินี้จะเรียกว่ากฎธรรมชาติก็ได้แต่สองก็คือการปฏิบัติอย่างฉลาด ทีสอดคล้องกับความเป็นจริงกฎธรรมชาตินั้นที่เรามาเรียกกันง่ายๆว่าจริยธรรมนี้คนที่มีธรรมะก็คือคนที่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายและรู้จักปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาตินั้นเนี่ยข้อปฏิบัติของ้อ น, นี้ใครมีอยู่เนี่ย เทาแต่คนซื่ตรงกับความจริงของกฎธรรมชาติความจรงิงว่าไงก็ว่าอย่างนั้นเราก็เรียกว่ามีธรรมะแหละแต่นี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเมื่อเราไม่ได้ถือเทพเป็นใหญ่แล้วเราก็มาบูชาธรรมก็เลยเปลี่ยนว่าการที่เราจบูชาธรรมนั้นก็คนไหนมีธรรมะเป็นที่แสดงออกเป็นที่รองรับเป็นสื่อของธรรมะเราก็บูชาคนนั้น เพราะฉะนั้นภาษิตในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องจำกันไว้ให้แน่นพุทธภาษิตหนึ่งในธรรมบทที่บอกมาเสมาเศสศัสเสนะโยย เ, เทชะสตังสมังตนต้นบอกว่ า, วาบุคคลใดถึงจกบูชาเส้นสวงด้วยทรัพย์เดือนละพันตลอดเวลาร้อยปี ก็มีค่าไม่เท่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้เพียงครู่เดียววันเนี่ยหลักเนี้ยสำคัญว่าและยังมีพุทธภาษิตธรรมนองนี้อีกเยอะเลยนที่ให้ความสำคัญแก่การบูชาคนที่มีธรรมะคนที่ฝึกฝนอบรมตนแทนที่จะไปมัวบวงสวงอ้ อ, อนมอนเทศพระเจ้าเอาผลประโยชน์ให้กระตนเองเนี่ยมาบูชาคนมีธรรมะเนี่ยมันมีความหมายเป็นประโยชน์ เป็นหมายถึงการบูชาความจริงการบูชาความถูกต้องการบูชาหลักการของสังคมที่จะทำให้สังคมนี้อยู่ได้ขยายจิตใจงนง้ผลออกไปให้ไม่เอาแต่การมองที่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้มองถึงประโยชน์ของสังคมการที่ไม่อยู่กับเรื่องของใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการบรรดาลอะไรต่างๆเนี่ยมาดูความจริงกฎธรรมชาติการใช้ปัญญาศึกษา แม้แต่เพียงว่าเราเอาหลักการบูชาทุคคลที่คนบูชามาใช้อย่างเดียวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สังคมจะเดินหน้าได้ถ้ า, าว่าเราไม่มาใช้จุดนี้แล้วสังคมเนี่ยจะอยู่ได้ลําบากมั้งงั้นเราก็ต้องไปบูชาอื่นดีเนี่ยถ้าเราไม่บูชาธรรมไม่บูชาคนที่มีธรรมเราก็ไปบูชาเทพเจ้า อะไรบูชาเทพเจ้าเราก็อาจจะเอาอะไรมาเป็นเทพเจ้าเช่นเดี๋ยวนี้พูดว่าเอาเงินมาเป็นเทพเจ้านี่ต่อไปก็บูชาเงินบูชาผลประโยชน์อะไระอะไรก็ไปกันใหญ่เฉะนั้นหลักการเนี่ยสําคัญไปคือเรื่องตึงสังคมไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จ, จึงจไว้อย่างในมงคลสามสิแปดประการก็จัดเอาการบูชาคนที่ควรบูชาเนี่เป็นมงคลข้อที่สามใช่ไหมล่ะก่อน คือพระวานานี้เริ่มที่สังคมก่อนเริ่มจากนอกตัวให้คนอยู่ร่วมกันได้ดีได้ถูกต้องมงคลข้อที่หนึ่งก็อาเวนาจะพาลันไม่คบคนผ่ า, า น, นไม่ครบคนผ่า น, ม น, านหมายความว่าไ ม, ไม่เอาเยี่ยอย่างไม่เอาตามเขาดันวเว้นดานที่เยกเว้นนะเดี๋ยวขยบจะบอกว่าเอ๊ะอะไรไม่คบคนผ่านได้เล ย, เลยพระเจ้ากัดว่าไม่คบคนผ่านเว้นแต่จะช่วยเขา่า้ว่ามันนี่หลักจะนีอยู่ หมายถาว่าเราครบคนพาลเราครบเพื่อช่วยแต่เราจะไปเอาตามอย่างเขาไม่ได้แต่ว่าคนที่จะช่วยคนพาลนี่เธอก็ต้องเปลี่ยนตัวให้ดีนะต้องแข็งจริงต้องมั่นคงเน่ยต้องเจ้งมั่นใจว่าดึงเขาขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าตัวเองอ่อนแอแล้วไปช่วยไปคบเขาเลยโดยเขาดึงลงไปเลยเนี่จะแย่ลงไปอยญ่ดงนั้นตามหลักทั่วไปก็บอกไม่คบคนพาลแล้วก็มาดกยกเว้นเว้นแต่จะช่วยเขา ต่อไปก็สองก็คบบัณฑิตต่อไปสามบูชาคนควรบูชานี่คือมองคลสามทีแปดชุดที่หนึ่งเลยเรื่องของมนุษย์ในสังคมเนี่ยดังนั้นการบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นข้อที่ควรจะได้เน้นกันเป็นพิเศษในสังคมปัจจุบันเพื่อช่วยกันทําลงรักษาสังคมไว้ในการทําลงรักษาธรรมะให้แก่สังคมแต่การทําลงรักษาธรรมะนั้นเป็นนามธรรมที่ เรามองไม่ค่อยเห็นถ้าเราทุกคนทำลงได้ในตัวเองก็ดีสิก็คือเราประพฤติ ธ, ธรรมนั่นแหละการทำลงธรรมะไว้ก็คือตัวเราเองต้องประพฤติตามธรรมะนะั้นแต่ทีนี้ถ้ามีคนที่ประพฤติ ธ, ธรรมะอย่างจริงจั ง, จงเป็นตัวอย่างเราต้องไปแสดงออกให้เห็นว่าเราเนี่ยจะทำลงธรรมะเราเชิดชูธรรมะจริงด้วยการไปเชิดชูคนที่มีธรรมะใช่ไหมถ้าเราเชิดชูทำบุคคลที่มีธรรมะ เราบูชาคนที่ดีแสดงแน่นอนว่าเราต้องบูชาความดีเนี่ยนั้นหลักนี้คิดว่ายุคปัจจุบันจะต้องชวนกันมาเน้นให้มากเป็นพิเศษวันนี้ที่ทางสำนักบัณฑิตอาสาสมัครจัดพิธีทาบุชาที่กุศลแด่ท่านอาจารย์สวยเนี่ยก็แน่นอนว่าได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางธรรมะข้อนี้ด้วย การบูชาคนที่ควรบูชาแล้วก็เป็นคนที่เราถือว่าควรจะบูชาสําหรับสังคมไทยของเราทั้งหมดบูชาไว้อย่างน้อยให้เป็นแบบอย่างสแสดงน้ําใจของตัวเราว่าเราเนี่ยบูชาคุณธรรมบูาชาความดีบูชาตัวธรรมะนั่นเองนี่ก็คือได้สองอย่างสําหรับข้อแรกกรตัญญูกตเวทีนั้นก็สําคัญแต่วันนี้ธรรมภาพจะไม่เน้นเพราะควรจะเน้นสักอย่างหนึ่งไป็ุพเศษ แล้วก็เห็นว่าสําคัญมากสำหรับสังคมไทยอย่างความดีต่อตัวระหว่างการส่วนบุคคลเนี่ยเราก็มีความกตัญญูแล้วแต่ในสนำหรับคนที่มีความดีสำสังควมวงกว้างเนี่ยเราจะต้องมาเน้นข้อบูชาคนที่คนบูชาก็เป็นเมืองคนอันหุดดมก็ย้าซ้ำ อ, อีกครั้งหนึ่งบอกว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมังการบูชาคนที่ครบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดนี้ก็มาดูว่าคนที่เราควรบูควรจะบูชาเนี่ยราบอกว่าท่านมีธรรมะเราก็เลยบูชาท่านยกย่องท่านในฐานะที่เราเห็นท่านเป็นสู่ของธรรมะเป็นที่รองรับของธรรมะเราก็โยงไปหาการบูชาธรรมะเราก็เห็นอนาะจารย์สวยนะท่านมีคุณความดีหลายอย่างแต่ว่า ความดีอย่างหนึ่งที่รู้สึ ก, กว่าเด่นมากก็คือความทุทกสัตวิจริอันนี้ได้ยินพูกจะอยู่เส ม, มอเส ม, มอพอดีอธาจารย์พก็เขียนไว้ในข้อเขีย น, น, น, นที่ลงในหนังสือที่ระลึกเนี่ยไม่ทราบประเสร็จหรือยังจะเขียนว่าเลยเลยพรถ้าเาาขียนว่าดกจะสวยกับธรรมะ น, นี้ อดุภาพไปทั้งแปลกใจแล้วก็ประทับใจเรื่องอาจารย์สวยใ้ที่อาจารย์อาตม า, า, จ, า, า, จ, าจำแม่ก็เขียนไว้ในนั้นก็คือว่าไปพบข้อเขียนของท่านอ่านแล้วก็เจอท่านพูดถึงธรรมะหมวดหนึ่งคือหมวดพร ะ, ะสี่ได้เขียนไว้ในหนังสือนี่แหละหนึ่งพร ะ, ะสี่เนี่ยไม่ค่อยมีคนได้ยิน แม้แต่ในวงการผู้ศึกษาธรรมะทั่วไปไม่ค่อยได้ยินก็เลยนึ้ว่าอ้อาจารย์สวยนี่แสดงว่าท่านสนใจธรรมะมากเลยไปเจอบทธรรมะที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักแล้วคิดว่าท่านคงเอาใจใส่หรือให้ความสําคัญกับธรรมะบทนี้มากก็เลยเอามาพูดในนี้ยบอกใครพูดถึงอาจารย์สวยทีลรต่ำมาก็นึกถึงธรรมะบทนี้ทุกทีเลยโยงก็ได้กันเลยธรรมะที่ว่า พระสี่ไม่มีอะไรบ้างหนึ่งนปัญญาพละหรือปัญญาพลังกําลังแห่งปัญญาเนี่ยอันนี้สำคัญมากคนเราต้องมีกําลังปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนข้าหมหาวิทยลาลัยอะไรนี้ก็เพื่อจะได้มีปัญญาปัญญาทําให้เรารู้จักเข้าใจสิ่งต่างปฏิบัติได้ถูกต้องทําให้สามารถแก้ไขปรับปรุงทําให้จิตใจเราเป็นอิสระ ทำให้พ้นจากปัญหาแก้ไขความติดขัดต่างๆก็เรียกกระทำให้เป็นอิสระหลุดพ้นเนี่ยปัญญาเป็น โ, ๆๆโจ๊กโดดสอยทียนี้หนึ่งและสองอะไรวิริยะพละหรือวิริยะพลังกําลังแห่งความเพียรคนเราต้องมีความเพียรพยายามทําการอะไรต่างๆนี่จะสําเร็จได้ต้องมีความเพียรไม่มีความเพียรไม่สําเร็จอะ่ะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่สอนให้หวังผลจะกลายกระทํา ก็ต้องต่อว่าด้วยความเพียรพยายามเพราะเราใจรอให้ใครบรรดาให้ไม่ได้นี่สองกำลังความเพียรต่อไปข้อที่สามอนัวัชพละกําลังแห่งความพุจริษณ์กลังแห่งการกระทําเช่นกิจการงานที่ไม่มีโทษไม่มีข้อที่ใครจะยกมาติเตียนได้คําว่าอนวัชชาเนี่ยแปลว่าอันใครๆติเตียนไม่ได้ นี่ก็สําคัญกําลังความสุจริตพูดอย่างภาษาไทยก็เรียกว่ามีสะอาดเนี่ยอันนี้ถ้าอาจารย์สวยถ้าจะสนใจมากเลยธรรมข้อนี้มีอนุวัติพละเนี่ยกำลังความสุจริตแล้วก็ข้อสี่สังคฆพละกําลังการสงเคราะห์ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีงามในหนึ่งมนุษย์โดยการให้ถือแสแบ่งปันที่เรียกว่าทานได้ไปยะวาจาได้ใอยคําที่ดีงามถูกต้อง ช่วยเหลือกันได้วาจาแนะนําแก้ปัญหาเป็นต้นเรียปิยาวาจาแล้ช่วยกันได้เร่ยวแรงกําลังมาเป็นประโยชน์เรียกวัฒนจริยาแล้วช่วยกันได้การที่มีความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียดกันเนี่ยไม่เลือกรับักที่ชั่งเนีไม่ดูถูกดูหมิ่นกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันทีนเรียกวสมารนัตตาอันนี้ข้อสุดท้ายสังหารเวลาในแยกย่อยสี่ข้อเนี่ยก็คือการสัมพันธ์ที่ดีในสังคม สืมนุษย์นอกจากอยู่ร่วมกันได้ดีในเนตตาแล้วยังช่วยเหลือกันอีกยึดเหนี่ยวชุมชนสังคมไว้ให้มีความสามัคคีแต่รวมแล้วก็คือสี่ข้อจำเป็นภาพกันยนของข้ออีกครั้งหนึ่งปัญญาภะกําลังพระปัญญาสองวิทยภะกําลังความพิยรสามอนวัชชภะกําลังความสุจริตและสี่สังขภะกําลังการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในหมู่มนุษย์เนี่ยท่านเขียนไว้ อาจะมาเลยจำแม่นเลยว่าเออท่านสวยท่านสนใจธรรมะเนี่ยและก็จำติดมากับทำธรรมะหมดเนี่ยก็ mm hmm. คิดว่าท่านสนใจแล้วผู้อื่นที่นับถือท่านก็น่าสนใจด้วยนะก็ mm hmm. <laughs> ชวนกะเอาไป ป, ปฏิบัติถ้าว่าธรรมะสี่ข้อนี้นำมาใช้ ป, ปฏิบัติันได้ในสังคมนี้นะสังคมจรญพัฒนาแน่นอนนะทำให้มีความมั่นคง เพราะคำว่าสังขะในภาษาบาลีนั่นแปลว่าประสานรวมผนึกทําให้เกิดความเป็นเอกภาพก็เือนเป็นพละกําลังสี่ประการพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าใครมีพละกําลังสี่ประการนี้แล้วล้มมือถือด้วยความมั่นใจไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายใดๆแม้แต่ความตายวันนี้ไม่กลัวความตายเพราะเรามีพลังสี่ประการนี้มีความมั่นใจในตนเองเนี่ย งั้นคนเรานี้ต้องทางอันหนึ่งคือความมั่นใจในตัวเองสร้างขึ้นให้ได้ถ้าเรามีพละกําลังสี่ประการนี้เราก็มีความมั่นใจเนี่ยยืนหยัดอยู่ในโลกยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างดีนี่อันนี้ทวดภาพก็เลยยกขึ้นมาพูดเรื่องของที่อาจารย์สวยที่ท่านได้แสดงออกถึงเรื่องของธรรม ะ, ะที่ท่านรู้แลท้ท่านจะปฏิบัติทีนี้ว่าเมื่อกี้เน้นมาท่าน มีคุณสมบัติที่เด่นที่คนในสงฆ์มีรู้กันมากก็คือเรื่องกวาซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนว่าความซื่อสัตย์ิจริตก็เป็นธรรมะข้อสําคัญเราว่าสําคัญทั้งในแง่มันเป็นสัจจะเป็ความจริงความจริงมันก็ตรองเอ่ยธรรมะว่าธรรมะเปความหมายเป็นความจริงคือว่ามันความเป็นถูกต้องความจริงมันเป็นอย่างไรฉันก็ปฏิบัติไปตามนั้นเนีมันก็อยู่ตรงไปตรงมาแล้วคนที่ซื่อสัตย์เนี่ย คือคนที่อยู่กับธรรมะตั้งแต่ต้นเลยนะฐานน่ยถูกต้องคือเป็นตัวธรรมะในตัวเลยแต่เน้นก็ไม่เผยไปจะตัวธรรมะที่เป็นหลักเป็นความจิง น, นั่นไอ้นี้ความสุจริตสี่จับเนี่ยโยไปหาหลักความประพฤติของคนมนุษย์อยู่ในโลกเนี่ยต้องดําเนินชีวิตต้องกินต้องอยู่มีปัจจัยสี่เป็นต้นเนี่ยก็มีธรรมะข้าอื่นโยมาอีก ลักษณะของอาจารย์สวยอย่างหนึ่งอาตมาเข้าใจว่าอาตมาดูไม่ผิดคือท่านในความสันโดษนะสันโดษเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความพอใจในสิ่งที่เป็นของตนนั่นแหละไม่อยากได้ของคนอื่นเนะี่แล้วก็อยากได้สิ่งที่ยอมรับสิ่งที่ได้โดยชอบทำด้วยนะเนะี่แล้วท่านขยายคำว่า ยินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาเป็นของตนด้วยความเพียรพยายามโดยชอบทำนี่ขยายความไม่เต็มที่เลยนะอา้าวต้องได้ด้ความเพียรและโดยชอบทำถ้าไม่ชอบทำไม่เอาได้ทราบว่าอาจารย์สวยนี่ท่านแม้กระทั่งของขวัญยังไม่ยอมรับเลยใช่ไหมมีความสนโดดไม่เอาของอะไรกัอะไรอื่นอยู่แค่ตามที่ฉันมีสิทธิ์ได้รับเพี้ยนเือนๆอะไรกับะไรของฉัน ตามสิดที่โดยถูกต้องก็รับแค่นั้นในนี้เขาเรียกว่าสันโดษชัดเลยฮนะเนี่นี่แหละความหมายสันโดษไม่อยากบำลุงบำเลอตัวเองไม่หาสิ่งมาปลนเปรอเนี่ยเป็นลักษณะของคนสันโดษสันโดษก็มีความสุขง่ายถ้าคนไม่สันโดษก็สุขยากใช่ไหมเพราะมีแค่ไหนก็สุขแหละสันโดษแต่ว่าคนไม่สันโดษนี่ความสุขไปอยู่สิ่งที่ยังไม่มีเ mm hmm. นะี่ยเพราะฉะนั้นแกไม่สุขสักทีอ่ะ คือว่าความสุขมาไปอยู่กับวัตถุที่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นใจก็สุขไม่ได้สักทีก็เลยคนที่ไม่สนโดดก็ไม่มีความสุขอันนี้เป็นลักษณะพื้นฐานง่ายๆว่าความส้นโดดนี้ทําให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายอยันนี้ก็เลยไม่เมื่แต่วุ่นวายกับการแสวงหาวัตถุเสริโภคแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะถ้าสนโดดแล้วจบแค่นี้ก็แย่ yeah, เลย สันโดษแค่นี้ก็กลายเป็นมีทางท่านเลยว่ากลายเป็นปัจจัยแต่ใใความเกลียดครันะสันโดษที่สําคัญก็คือว่าทําไมพระพุทธเ จ, จา้าสอนในพระสันโดษนอกจากว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจแล้วก็ไม่ทุจริตนะไม่ลบกวนชาวบ้านถ้าที่สันโดษเนี่ยไม่รกาบกวนชาวบ้าน ถ้าในตอนเดินลบเดินเรื่อยอยากจะได้จีวรเินดีอยากจะได้เปดีดีเดียวก็เอาละเรียะไรมั่งไรมั่งหาลากไปตามเรื่องทีนี้ท่านให้มีสันโดษก็จะได้เป็นพระที่เลี้ยงง่ายเพราะหลักของพระนี่มีอันก็คือสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายแต่ว่าทีนี้สําคัญก็คือสันโดษนี่มันจะพาอะไรมาอีกอ่ะเมื่อกี้ย้ําอันหนึ่งคือสุจริตเนี่ยเป็นตัวคําประกาศในความสุจริต ถ้าเราไม่สันโดษเราสุจริตยากนะเนะียเราก็อยากจะหาสิ่งกำเนิดตัวเองมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวความซื่อสัตสุจริตอยู่ไม่ได้หรอกเนีอยนะอันนั้นจะซื่อสัตสุจริตได้ต้องมีสันโดษมาช่วยคําประกันแต่สันโดดมันไม่ใช่แค่นั้นอะ่ะสันโดดนี่ที่สําคัญก็คือพระเจ้าจัดว่าภิกษุสันโดดแล้วเธอจะได้สามารถและมีความพร้อมที่จะทําหน้าที่ของเธอเพราะอะไรเพราะว่าพระภิกษุมีหน้าที่อยู่แล้วเนี่ย ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือว่าหนึ่งเล่าเรียนสองปฏิบัติเรารวมกันเรียกเล่าเรียนปฏิบัตินี่ภาษาพระจะเรียกว่าศึกษานั่นเองคำว่าศึกษานี่คือคำว่าเล่าเรียนและปฏิบัติถ้าเล่าเรียนยังไม่ปฏิบัติเราเรียกว่าศึกษาเนี่ยศึกษานี่มันอยู่ที่ใจศึกษานี่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สังการที่ปฏิบัติศึกษาสึกๆทาให้เป็นถ้ายังไม่ทําให้เป็นก็ยังไม่เป็นศึก ข, ขาหรือศึกษา นี้เล่าเรียนปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ธรรมะหน้าที่ของพระนี่ก็มีอย่างนี้อันนี้อย่างน้อยก็ท่านใช้คำว่าละสุศนและทำสุจนให้เกิดขึ้นในความเพียรของพระที่จะทำได้ก็ต้องมีสันโดษก่อนพอพระสันโดษแล้วไม่วุ่นวายกับการที่จะมัวขึ้นคิดหาเครื่องเสพบริโภคบำรุงบำ ร, บรุตัวเอง จิตใจไม่รุ่นวายตองเหวนิหวนเวลาแรงงานและความคิดไปได้ก็เอาเวลาแรงงานและความคิดที่จะไปใช้ในการแสวยหาวัตถุเสื่อมเนเอามาใช้ในการทํางานของตัวเองคือเล่าเรียนปฏิบัติเพื่แผ่ธรรมะเจ้ า, า, จานั้นท่านก็บอกว่าให้ให้สนโดดปั๊บก็เตรียมตัวพร้อมแล้วทีนี้ก็เพียรพยายามละอกุศลและทํากุศลให้เกิดขึ้นในคำนี้ มันคือหมดเลยนะฉะนหายว่าละสิ่งที่ชั่วทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นก็เอาความเพียรมาช้ในเรื่องนี้ใครมีหน้าที่อะไรเยื่อละความชั่วกำจัดแก้ไขสิ่งเลวร้ายปัญหาอะไรสร้างสรรความดีอะไรก็ทำหน้าที่อยนนั้นตอนนี้คนสันโดษจะจ ะ, จะมีเวลาเต็มที่จะจะมีแรงงานเต็มที่จะจะมีความคิดเต็มที่ตอนนี้นัโดษนจะควรจะ ไอ้มอที่พรุ่งนี้จะไปหาสิ่งบริโภคที่ไหนหบำเลอตัวเองะแกก็เอาแรงงานจกไปเทวิ่งพลานหาสิ่งบริโภคแล้วก็เอาเวลาไปใช้เผาผลานหมดไปพอแกสันโดษได้นี่วัตถุกแกอยู่ได้แล้วพออยู่ได้แกก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนี่มาอุทิศให้กการทำหน้าที่ดันั้นก็เลยเป็นสันโดษของนักทำงาน สันโดษที่ถูกต้องเป็นสันโดษของนัดทํางานและสันโดษเพื่อทาํางานว่าั้นี่ถ้าสันโดษไม่มาต่อด้วยความเพียรในการทํากิจหน้าที่มันก็ทําให้เราหยุดเฉยนอนเกียจคร้านไปเลยเนีนั้นสันโดษเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องระวังคือถ้าหากไม่รู้เข้าใจความมุ่งหมายว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่ออะไรก็จะกลายเป็นสันโดษเพื่อความสุข คนสันโดษมันสุก ง, ง่ายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าสุขแล้วก็สบายที่ไม่ได้หล่นขนขวายเลยเกียดคร้านนั่นก็อันตรายแต่สันโดษอย่างของอาจาร์ป่วยนี่แน่ใจได้เป็นสันโดษของนักทํางานแต่ว่าในที่นี้ต้องการเน้นเอาสองข้อผอไม่ไม่เน้นในแง่ความสุขส่วนตัวของท่านนะท่านก็สุข ด, ด้วยวัตถุ ข, ของท่านมีทั้งหลายท่านก็สุขได้อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นคือหนึ่งมันรักษาความสุจริตได้ใช่ไหม นั้นอาจารย์สวยท่านสันโดษก็เป็นหลักประการที่ทําให้ท่านดํารงความสุจริตไว้น่ะสื่อสัตว์ได้ไหมเออสันโดษไม่เอาไม่ถูกต้องตามธรรมะไม่ใช่สิทธิของฉันฉันไม่เอาละนะเรียกท่านก็สันโดษของท่านเงี้ยท่านก็รักษาสุจริตไว้ได้นี่สั่นคืสันโดษเพื่อทำงานเป็นสันโดษของนักทำงาน่านก็เอาเวลาที่จะไปล้างขานใจเรื่องของการหาความสุขในตัวเนี่ยเอามาใช้ในการทํางานซะ เราก็ทำงานได้เต็มที่คนสันโดนี่มันทำงานได้เต็มที่เพราะว่ามันไม่ไปวุ่นวายเรื่องอื่นนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้สนวนออมเวลารรยงานและความคิดไปได้หมดเลยมาทุ่มเททิปตัวให้กับการทำงานอย่างเดียวเนี่ยแค่นี้ก็เป็นร่วงสำคัญแก่การพัฒนาเลยเพราะนั้นคนเรานี่ถ้าได้แบบอย่างอย่างที่อาจารย์ป๋วยอาจารย์ในข้อสัญโดนั่นเลย่อก็จะมีความสุจริต ด, ด้วย แล้วก็จะเป็นนักทํางานแล้วพัฒประเทศชาติก็พัฒนาสัญล็อแบบนี้ไม่ขัดข้องไม่ขัดขวางการพัฒนาประเทศแน่แต่นุนการพัฒนาประเทศนั้นมือันหนึ่งคือการพูดเนี่ยบางทีเราเถียงกันไม่เท้าเรื่องสมัยหนึ่งก็ว่าไอ้สัญล็อตนั้นมันขัดขวางการพัฒนาหรือเปล่าก็เถียงกันไปฝ่ายหนึ่งก็ได้ฝ่ายหนึ่งใช่ไหมฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอยสัญล็อมันขัดขวางการพัฒนาประเทศ อีกฝ่ายหนึ่งก็บ้ า, บาว่านี่มติเตียนธรรมะเขาพูดทธเจ้าวางกันเนะยไมได้เรื่องแต่คนนี้เป็นคนนอกศาสนาหรืออะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงอ่ะจะไปโกรธกันเลยทางพระท่านให้ตอบแบบวิพัชวะวิพัชวะคือต้องแยกตอบบอกว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกใช่สันโดษจะเป็นเครื่องขัดขวางการพัฒนาได้ทาให้คนเกียดค้านเมื่อสันโดษอย่างนั้นอย่างงั้น แต่ถ้าสันโดษถูกต้องจะสันโดษโดยสัมพันธ์กับหลักการรักษาความสุจริตและช่วยให้เราได้อุทิศตัวแก่หน้าที่การงานได้เต็มที่อย่างนี้จะเป็นตัวหนุนการพัฒนาใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าตอบแบบพิพัชวาที่ตอบแบบแยกแยะไม่ใช่ตอบผาลวไปทีเดียวนี่ทีก็ผิดก็ผิดไปเลยหรือว่ามันัก็ทะเลาะกันไปเลยก็ยุ่งกันใหญ่นเอาลทีนี้ก็นี่ก็ เป็นเรื่องของธรรมะเลยโยงเข้ามาหาการพัฒนาตรงนี้แหละนนี่เจ้าภาพนี่มนุษย์ไว้บอกว่าจะให้พูดธรรมะกับการพัฒนาแล้วก็ตั้งชื่อกันไปกันมาดูเหมือนจะเป็นว่าไม่มีธรรมก็ไม่มีการพัฒนาใช่ไหมเลิฟ อ, องรืออะไรอ๋อจะมาจําผิดไปเอง น, นีการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมก็คล้ายๆกันนะนะไม่มีธรรมก็ไม่มีการพัฒนาต้องลงโทษ จำจำชื่อเรื่องผิดก็เอาว่าอันไหนก็ได้ใช้ได้ทั้งคู่แหละไม่มีธรรมก็ไม่มีการพัฒนาแล้วก็การพัฒนาที่ดีหนี้ไม่พ้นธรรมะแน่นอนเนี่ยที่อาตมายกตัวอย่างวันนี้ก็นีไม่พ้นธรรมะแล้วนะน่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตน่ยต้องมีความเพียรพยายามในการทํางานน่ยต้องมีเรื่องสงสันโดษที่ถูกต้องน่ยสันโดษที่ใช้ มนหนุนในการทําความเพียรในหลักการหวังผลจากการกระทําเนี่ยแค่นี้ประเทศชาติพัฒนาเยอะและ้วนี้คนที่ไปพัฒนาทํางานพัฒนาเนี่ยเนี่ยก็ต้องมีภามเสียสละใช่ไหมเลนพรวัตถุประสงค์ของสํานักบัณฑิตศาสตสมัครก็มีข้อนหนึ่งที่ว่าเน้นความเสียสละใช่ไหมนี่ความเสียสละเนี่ยมันทําได้ยากถ้าเราจิตใจไม่พร้อม จิตใจของเราต้องพร้อมด้วยใจเราอย่างน้อยต้องยอมรับถ้าใจเราไม่ยอมรับอะไรมันฝืนพูดง่ายๆก็คือฝืนความต้องการถ้าเราจะทําอะไรให้ได้ผลเราต้องการซะก่อนเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เปลี่ยนความต้องการซะก่อนหลักสําคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาคือถือว่าความต้องการของคนได้เปลี่ยนได้พัฒนาได้เราเคยต้องการอย่างนี้อมันก็ ขัดขวางสิ่งที่เราจะทำเราก็ปรับเปลี่ยน typing. มันซะเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนความต้องการตับเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องการเราต้องการใหม่สิ่งที่จะทำมันก็สาเร็จเหมือนย่างเด็กต้องการอาหารเนี่ยถ้าเด็กต้องการกินอาหารอร่อยเนี่ยต้องการกินอาหารอร่อยนี่ถ้าแกไม่ได้อาหารอร่อยนี่จะผุ้มาต้องกายกระทุ้มากเนี่ยเราก็เปลี่ยนความต้องการซะ ต้องการอาหารอร่อยนั่นเป้าหมายให้ปัญญาแกวิธีเปลี่ยนความต้องการคนคือต้องเปลี่ยนเด็กให้ปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่เปลี่ยนทิฏฐิได้เปลี่ยนทางปัญญานี้เริ่มต้นมันจะเป็นการเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นความเข้าใจตอนแรกกันึกว่าการกินอาหารนี่ยึดไว้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเพื่ออร่อยใช่ไหม นี่ต่อมาเราเริ่มถามให้เด็กฉันเรียกว่าชายโยนิสงนาฏิกานว่าเรกินอาหารเพื่ออะไรให้เด็กหัดตอบเด็กตอบไปต่อมาจะเริ่มตอบได้เอ๊ะที่กินอาหารนี่มันไม่ใช่เพื่อเพียงแค่อร่อยนะแต่ที่จริงมากินอาหารนี่เพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตเดี๋ยวนี้เขาใช้คาโก้คุณภาพชีวิตนี่เพื่อคุณภาพชีวิตเอคุณภาพชีวิตนี่อาหารอร่อยมันไม่พอบาทีอาหารอร่อยเป็นพิษทําลายคุณภาพชีวิตก็มี โอ้ไม่ได้แล้วกินอาหารอร่อยนี่บางทีเสียนะแห้เราทำไงาอาหารอะไรที่จะช่วยตอนนี้ก็เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคือคุณภาพชีวิตแล้วใช่ไหยเปลี่ยนทิศถี่แล้วนะปัญญาเริ่มเกิดพอเปลี่ยนทิศถีว่าไอ้สิ่งที่ถูกต้องคือเป้าหมายเนี่ยมันต้องเป็นว่าคุณภาพชีวิตไม่ใช่อร่อยเพราะเด็กเปลี่ยนมาเป็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการกินอยู่ที่คุณภาพชีวิต ตอนนี้แกก็จะมองหาว่าอะไรที่จะสนองวัตถุประสงค์นี้เอออาหารที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์มีคุณสมบัติอย่างนั้อย่างนั้นน่ะจะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตแน่สนองเป้าหมายนี้ได้นี่คือเปลี่ยนความต้องการเด็กจะเริ่มเปลี่ยนความต้องการอาหารที่เคยอร่อยแต่เห็นว่าเป็นพิษแกไม่ต้องการแล้วออนี่อาหารที่มันช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิต มันสนองเป้าหมายนี้แกต้องการมันต้องการนี่ถ้าสมองวามต้องการอะไรสุกมันนั้นคนเหล่านี้สนองความต้องการจะสุขแต่ก่อนนี้แกต้องการกินอาหารอร่อยแกกินอาหารถูกใจใช่ไหมถ้ากินไม่อร่อยแกทุบทันทีเลยนี่ความเกิดต้องการคุณภาพชีวิตขึ้นมาแกได้กินอาหารนั้นบางทีทั้งทั้ ท, ที่ไม่อร่อยเนะแกมีความสุขได้ใช่ไหม เออแล้วแกภูมิใจด้วยว่าเรากินถูกต้องนี่เราทำได้ความรู้คนที่ทําอะไรได้ความรู้ด้วยปัญญาเนะี่ยมันมีความมั่นใจอย่างแน่นอนเลยนี่แกมีความสุขในการกินอาหารที่สร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตใช่ไหมแกก็มีความสุขใหม่เพราะมีความต้องการใหม่นะนี่คือเรื่องของการพัฒนามนุษย์ทีนี้คนที่จะไปทํางานบัริษอ า, าสาขา ถ้าไปเสียสละแล้วมีความสนใจเนี่ยทุกแน่เลยแล้งานการยากวิธีที่จะแก้คนให้ปรับเปลี่ยนความต้องการเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ภายในซึ่งมีหลายอย่างอย่า ง, างหนึ่งก็คือว่าตั้งท่าทีรับใหม่เนยอย่างคนที่จะไปทำงานต้องเสียสละสนใจลเลยนะใครๆก็อยากได้ตัวตัวเองเท่านั้นหละลาไม่เอาเนแล้วก็ บาที ไ, ไปโดดเดี่ยวเดียวดายว้าวิเหงาใช่ไหมเนี่ยก็ทุกข์อีกแหละเน่ยเสียสละก็ทุกข์แล้วผูดใจแล้วไปโดดเดียวอีกเคย อ, อยู่ก็ญาติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่เลยเหงาทุกข์อีกแหละทําไงตั้งท่ารับใหม่ให้ใจมันเริ่มพัฒนาความต้องการใหม่ท่านเรียกว่าตั้งท่าทีของการตั้งท่าทีขการมีจิตสํานึกในการสุกตน จิตมันจะรับทันทีไอ้ฝึกเนี่ยคู่กับฝืนนี่ตรงข้ามถ้าเราทําอะไรได้ฝืนเนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์แต่ถ้าเราทําอะไรได้ความรู้สึกว่าเราได้ฝึกเราจะสุขนี้เราก็ให้ปัญญากว่าเราบอกคนเรานี่จ ะ, จะเจริพัฒนานได้มันต้องฝึกตนนะมนุษย์นี่มีอะไรได้มาปเปล่าเปล่ามีไหมไม่มีเลยใช่ไหมเด็กเกิดมานี่มันไม่ได้เหมือนอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายอื่นแต่ทั้งหลายอื่นนี่มันได้มาได้ดสัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่ อยู่ๆเดี๋ยวมันก็นเดินได้เดีวมันก็นอะไรได้ฝุ่น้อยเหลือเกินมันอยู่ได้ได้วยสัญชาตญาณแต่มนุษย์นี่แทบไม่มีอะไรเลยที่ได้มาเองได้สัญชาตญาณช่วยน้อยเหลือเกินทําไงก็ต้องอาศัยการฝึกเพราะนั้นมนุษย์นี่จะนอนจะนั่งจะกินอาหารจะขับถ่ายจะพูดจะเดินต้องฝึกเท่านั้นเลยเรียกง่ายๆว่าต้องเรียนนั่นเองเรียนก็คือฝึกนั่นแหละต้องฝึกขึ้นมา เพรนั้นชีวิตของเราที่ได้มาทุกวันเนี้เราไม่ได้มาเปล่าๆเหมือนสัตว์ชนิดอื่นเราได้มาด้วยการฝึกลงทุนด้วยการฝึกนี้ถ้าเราไม่ยอมหยุดการฝึกนี่ชีวิตเราจะดีเห็นไหมที่ผ่านมาในฝึกเลามันดีแค่ไหนเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจฝึกชีวิตเราดีทุกคนที่ชีวิตเขาจเจริญการนาเขาฝึกถึงนั้นเนี่ยพอเราเจอปัญหานี่<บ>ก็คือเรียกแบบฝึกหัดใช่ไหมเด็กจะเจริญปัญญาดีต้องมีแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็คือแบบฝึกนั่นนะแบบฝึกแล้วก็หัดก็ต้องฝึกแล้งหัด แน่คนที่เจอแบบผุกขาดมากนี่คนนั้นจะเจริญพัฒนาอะไรที่เป็นแบบผุดขาดเช่นปัญหาหรือความทุกข์คนที่เจอแต่สุขนี่ถ้าไม่มีโอกาสถูกเลยไม่มีแบบผุกขาดสังคมที่มีแต่ความสุขเนี่ยเสียเปรียบนะเนี่ยมองในแง่ดีก็ได้เปรียดแต่มองในแง่ไม่ดีเสียเปรียด ม, มากสังคมที่สุขเนี่ย ส, ส, สุขสบายไม่มีแบบผุกขาดชีวิตที่ไม่มีแบบผุดขาดก็ดีสังคมที่ไม่มีแบบผุกขาดก็ดีเนี่ยพัฒนายาก สังคมที่เขาพัฒนาเด้มากไปดูเถอะภูมิหลังมีแบบฝึกหัดเยอะปัญหาความทุกข์ลำบา ก, กต้องสู้ต้องฝึกทีนี้พอมีปัญหามากมีทุกข์มากมีแบบฝึกหัดมากก็จะโรินสิใช่นี่เราอยากจะเจริญเราก็ต้องฝึกตัวเองเราต้องหาแบบฝึกหัดรมนี่ตอนนี้เราจะต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำเช่นเราไปเป็นบัณฑิตอาสาสมัครเราต้องเสียสละ เราต้องไปอยู่ในถิ่นที่ไม่สะดวกสบายเราต้องไปอยู่ในถิ่นที่หางไกลหญา้าทินน้องเราต้องไปพบคนใหม่เออเราถือเป็นการได้ฝึกโอ้โหตอนนี้ดีเหลือเกินหาโอกาสยากเหลือเกินที่จะได้ฝึกอย่างนี้เราหานักหนาโอกาสที่จะได้แบบฝึกหาด ต, ตอนนี้เราได้แล้วเพราะตั้งท่ารับใจมันรับเลยนะพอได้แบบฝึกหัดนี้มันใจชอบเลยมันเปลี่ยนความต้องการด้วย อันนี้กลายเป็นดีไปเพราะใจตั้งรับแล้วคราวนี้มันทําได้ความสุขเขาทาได้ความสุขแล้วใจมันเต็มที่จะทําด้วยนะทีนี้งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแหละนะงานก็ได้ผลก็คือว่าเราทำได้ความเต็มใจนี่มันทําได้ดีตั้งใจทําคนก็เป็นสุขทําไปแล้วใจก็เป็นสุขนั่นเนี่ยก็คือเรื่องของการต้องพัฒนาคนไปด้วยแล้วโดยการพัฒนาแบบนี้การพัฒนาประเทศชาติก็จะได้ผล ปพัฒนาประเทศชาติเราไปทํางานในชนบทไปพัฒนาชนบทแต่เราพัฒนาตัวไปด้วยอนี้เราก็จะไปสอนได้ตัวอย่างของตัวเราเองการพัฒนามนุษย์นี่เป็นแกนสาคัญ ข, ของการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะชนบทถ้าเราจะไปพัฒนาแต่เรื่องของสิ่งภายนอกคงไม่ไหวแน่จะเป็นปัญหาการพัฒนาลุกลี้ไปต้องให้คนเนี่ยพัฒนาได้สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้สิ่งที่พัฒนานั้นมาเกิดจากการพัฒนาในตัวคนและคนก็จะกลายไป็ผู้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพราะว่าการพัฒนาภายนอกเป็นผลจากการพัฒนานในตัวคนใช่ไหมอย่างบริจาคสมัครเมื่อไปทํางานแบบนี้ก็พัฒนานในตัวเองงานนั้นเป็นผลจากการพัฒนานในตัวเขาเองมันจะสอดคล้องกันหมดเลยตัวเองก็มีความสุขชีวิตที่มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วย สร้างจิตสํานึกในการศึกษาคือจิตสํานึกในการฝึกฝนไปคนที่มีลักษณะอย่างเนี้ยจะมีความสุขง่ายสําโดษก็สุขง่ายแล้วนะพอมีทิสัยในการฝึกฝนก็สุขง่ายกั้นไปอีกเจออะไรปั๊บมองเป็นได้แต่ผู้ชันทันทีเลยนะี่มีสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อไปเขาบอกว่ามองสิ่งต่างๆด้วยท่าทีของการเรียนรู้ <c oughs> คนเนี้ยท่านบอกมีสองอย่างหนึ่งมองอะไรด้วย ท่าทีขงความชอบใจไม่ชอบใจพวกนี้ยุ่งแต่ว่าท่าทีแบบนี้ก็คือปัญหานั่นเองคนทั่วไปที่ยังไม่มีการศึกษาไม่พิสูจน์ง่ายทัานบอกว่าเจออะไรมองด้วยท่าทีของการชอบใจและไม่ชอบใจนเอาละให้ดูเถอะคนที่ยังไม่มีการศึกษาเนี่ยเจออะไรก็มองด้วยท่าทีของการชอบใจไม่ชอบใจนี่คนที่มีการศึกษาเนี่ยมองด้วยท่าทีของการเรียนรู้นเออ พอเรียนรู้แล้วมันสุขจากทุกอยาก่างเชื่อไหมถ้าเรามองอะไรชอบใจไม่ชอบใจมันมีปัญหาตลอดเลยชอบใจอยากได้อยา ก, อยากเอายังไม่ได้ทุกเจอสิ่งไม่ชอบใจทุกทันทีปัญหาเกิดเลยนี้พอมองในท่าทีขการเรียนรู้นะไอ้สิ่งที่ชอบใจเราก็ได้เรียนรู้ไอ้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมนั้นมันได้หมดเลยแต่ว่าโดยมากนะสิ่งไม่ชอบใจเนี่ยได้เรียนรู้มากกว่าสิ่งชอบใจเชื่อไหมเออ พอสิ стати, ่งไม่ชอบใจได้เรียนรู้ามากกว่าต้องกลายเป็นดีไปอสิ่งที่ไม่ชอบใจกลายเป็นดีทําให้เราได้ความสุขเพราะได้เรียนรู้แต่ในเรียนรู้เนี่ยก็ไปได้กันกับการฝึกแเรื่องเดียวกันแหละเรียนรู้กับภาษาพระท่านก็เรียกว่าสิกขาฝุกก็เรียกว่าสิกขาถ้าฝึกปรเดี๋ยวรอยไปเรียนรู้เรื่อยไปมองอย่างนี้แล้วได้หมดเจอเขาด่าก็เรียนรู้เออไหญ่เนี่ยไว้วาดไทคือมันได้จริงๆจริงๆงานนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะเหลืองบอล เพราะฉนั้นพระพระอรหันต์บางองค์นี่ยสำเร็จด้วยการได้ยินคําพูดของคนบ้าว่างันนะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งอะท่านโยนิสาสิกาคือลักษณะการมองอย่างนี้ท่านเรียกว่าโยนิสาสิกาแล้วไปได้ยินฟังคนบ้าคนบ้าแกไปจําอะไรแลยพูดอะไรประหลาดประหลาดบางทีเราไม่ทันนึกอนะเด็กอย่างคนบ้าอย่างเนี่ยพูดสิ่งที่เราบางทีนึกไม่ถึงนะอ้นี้พอได้ยินแป๊บนี้ก็ได้ข้อคิดเลยโอ้ตัดสู่เลยนะ อันนั้นอย่าไปดูถูกเลยนะคนที่มีโยนิสม์รัติการเนี่ยเอาประโยชน์ได้จากทุกอย่างก็บอกแล้วว่าอยู่ในสมฤรัติการนี่มีหลักสําคัญสองอย่างมุมมองหเห็นความจริงสองมองเอาประโยชน์ให้ได้ใช่ไหมนั้นในทุกสถานการณ์ฉันไม่หาความจริงฉันก็เอาประโยชน์ให้ได้ไม่ว่าสิ่งร้ายสิ่งดีฉันบอกว่าคนที่มีความสามารถที่สุดคือคนที่สามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนี อย่างเราพัฒนาเด็กก็เหมือนกันมันก็จะมีการพัฒนาย้อนทางอย่างเงี้ยจะบอกนุ่มเราจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กัเด็กแต่ถ้าเราจัดสิ uh ่ง huh. ที่ดีที่สุดให้กับเด็กอย่างเดียวนะเช่นจัดสภาพแวดล้อมข่าวสารข้อมูลเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เอาตามนี้หรอกแต่เราต้องพยายามนะเราต้องพยายามเต็มที่เราจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กัเด็กแต่ถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยนะเด็กจะมีลักษณะทุ่มพา แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าต้องพัฒนาย้อนจากภายในอกไอ้นี่เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกจากสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาให้กับเด็กแต่ภายในเด็กเขาเรียกว่าพัฒนาปัจจัยภายในพัฒนาในตัวเด็กให้มีความสามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดอย่างนี้นะฮะถ้าได้สองอ่านมาประจบ ก, กันนี่สําเร็จเลยนะอย่าไปเพลินอยู่กับการจัดสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าจาัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กเนี่ยนึงเด็กจะทุ่งพาสองจะอ่อนแอนะฮะเช่เรามีเมตตากรุณามากเกินไปอะไระอะไรก็ทำให้หมดเด็กก็ไม่พัฒนานะอ้าวทีนี้ก็ย้อนกลับมาเดี๋ยวจะเลยเถิดออกนอกเรื่องไปนะี่ก็กลับมาเรื่องที่ว่าสิ จ, จิตสานึกในการสุกคนมองไรได้ท่าทีงการเรียนรู้พอทิ่สนึกในการสุกมันแรงขึ้นเนี่ยคนนี้จะชอบปัญหามากขึ้น เจออะไรที่ยากเราชอบเพราะอะไรเพราะไอ้ที่ง่ายมันไม่ได้ฝึกอะไรมันง่ายเนี่ยทาได้ปั๊บเดียวเสร็จเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเชื่อไหมสิ่งที่ง่ายเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกก็มันทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การฝึกไม่ใช้ทักษะแต่ไอ้ที่ยากในใดามากกว่าจะทำสาเร็จนี่ผ่านไปได้นี่ใช้สมองคิดเยอะเลยนพัฒนาปัญญาพัฒนาทักษะ ในการกระทําต่างๆางพัฒนาจิตใจให้ความขยันอดทนความเพียรใจสู้ความเข้มแข็งหนักแน่นเนี่ยพัฒนาหมดเลยเขาเรียกว่าพัฒนาทั้งพฤติกรรมพัฒนาทั้งจิตใจพัฒนาทั้งปัญญาเพราะนั้นปัญหาแบบอุปสรรคสิ่งยากนี่คนที่ฝึกตนต่อมาก็ชักชอบเนี่ยต่อมาก็บอกว่ายิ่งยากยิ่งไปมาตอนนั้นนีอันนี้เป็นความจริงนะเป็นคติของนักฝึกตนยิ่งยากยิ่งได้มา พ อ, อยิงยาจิงได้มากก็เจออะไรยากก็ชอบสิเด็กพวกนี้สุขภาพจิตดีแล้วก็พัฒนาเก่งสู้งานเพราะนั่นเด็กสมัยเนี้ยต้องระวังถ้าไปตามใจแกมากเอาเทคโนโลยีปนเปลืออะไรก็ง่ายหมดแกอ่อนแอพึ่งพาแล้วทุกง่ายสุขยากเนี่ยทไมทุกง่ายสุขยากก็มันเคยจะสบายพอเจออะไรยากนิดหน่อยทุกหลยนะทุกง่ายเหลือเกินเจอไม่ได้อะไรตามชอบใจนิดทุกเลย สุขยากเพราะอะไรมันง่ายมันเจอมันได้ไปหมดแล้วไอ้สุขก็คือได้สิ่งที่มันดีขึ้นไปบําเลวยิ่งขึ้นมันก็ยากมันหายากมันปมโจเตมไปหมดแล้วไอ้เด็กที่มันเจอความทุกข์ปัญหามาเนี่ยถ้ามันสุขถูกนะมันสุขง่ายแต่ทุกยได้ยากไม่ใช่ทุกยากทุกได้ยากคือเจอทุกมันก็หม่ยถึทุกอะอะไรแต่อะไรบางทีมันได้ความสุขจากความทุกข์ซะอีกด้วยเห็นไหมดังนั้นเอาแล้วไปเอาว่านเนี่ย บันิตอาสาสมัครเนี่ยฝึกไว้ในภายในตั้งในจิตสํำนึกขั้นการฝึกตนมองได้ทา่าทีของการเรียนรู้อย่ามองอะไรได้ทา่าทีของการชอบใจไม่ชอบใจอย่างน้อยท่านบอกว่าเริ่มด้วยเปลี่ยนจ า, ยากท่าทีของการชอบใจมาไม่ชอบใจมาเป็นทา่าทีของการมองตามเหตุปัจจัยมันใจเหมือนกัน <laughs> นี่พวกหนึ่งนผิดคือมองตามชอบใจไม่ชอบใจอีกพวกหนึ่งที่เริ่มฝึกตนคือมองตามเหตุปัจจัย พอเร า, เ ร, า, เ, ราเริ่มมองตามเหตุปัจจัยนี่เราเริ่มถูกปัญญาทันทีใช่ไหมเรื่อเราเริ่มที่จะต้องคิดพิจรนารณาเราจะเริ่มไม่มีเรื่องอะไรกระทบตนคนมองชอบใจไม่ชอบใจกระทบตนทันทีปัญหาเกิดอย่างแพทย์กับพยาบาลเนี่ยเจอคนไข้มีปัญหากันเลยพอเจอคนไข้หน้าบึ้งมาเอาและกระทบใจและชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมก็ทุกนี่ถ้ามองตามเหตุปัจจัยโอ้คนไข้คนนี้หน้าบึ้งมา เอเป็นเพราะอะไรนะแกอาจจะไม่มีเงินจะมามาอันนี้แกก็คงลําบากแล้วแกอาจจะต้องลางานมาแกอาจจะห่วงลูกของแกแกอาจจะนึกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปลูกของเราจะเป็นยังไงโอ้พอนุกอย่างนี้สงสารเลยนะเห็นขงหน้าวุ่นจะสงสารข้นแรกใจเราดีเลยคิดแก้ปัญหาครับนี่ท่านเรียกว่ามองตามเหตุปัจจัยนั้นมองตามเหตุปัจจัยนี่นมีคุณค่าหมหาศาลยังไงงไงเริ่มต้นให้เปลี่ยนอย่างนี้ก่อนเปลี่ยนจากมองตามชอบใจไม่ชอบใจ มามองตามเหตุปัจจัยนี่แหละเริ่มต้นเริ่มต้นการฝึกเลยพอ น, นี้นี่คือเรื่องง่ายๆในการพัฒนาแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งทังนี้อยากจะให้ขยายกว้างออกไปที่เรื่องการพัฒนานี่ก็อาศัยธรรมะเยอะเช่นอย่างง่ายๆกับความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมไม่มีความขยันหมั่นเพียรจะไปทําอะไรสําเร็จแล้วก็ที่ว่าเมื่อกี้ใช่ความเสียสละแล้วมาให้พัฒนาในตัวเองในคนและตอนนี้ พัฒนาจริงขึ้นคือทําตัวให้พร้อมในการฉุกตนเองตั้งท่าทีใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมท่าทีแห่งการมองตามเหตุปัจจัยท่าทีของการเรียนรู้ท่าทีของการฉุกตนนะตอนนี้ตัวเราในเริ่มพัฒนาที่นี้มันก็ยังไม่พอต้องมองกว้างทำมากมันมีความหมายที่สําคัญก็คือว่าความจริงของสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติทั้งหมดเลย ระบบของชีวิตเราก็ตามธรรมชาติแวดลอ้อมสังคมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งนั้นดันั้นผลเกิดจากเหตุเหตุก่อให้เกิดผลเนี่ยเราต้องรู้เข้าใจและทำให้ถูกต้องนี่การพัฒนาที่เป็นมาเนี่ยเราก็พูดว่าการพัฒนานั้นต้องมีจุดหมายแต่จุดหมายของการพัฒนาคืออะไรเราพูดง่ายๆเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเราจะหลง ไปตามสิ่งที่เขาบอกเล่ากันมานะี่ยกไปอย่างง่ายๆว่าเหลือไปดูนาฬิกาพอดีเพลแล้วยังงั้นต้องรีบสรุปให้จบเร็วที่สุดและเร็วทอก็ขอเอาตอนเรื่องท้ายเรื่องสำคัญคือว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องมีจุดหมายใช่ไหมนี้ถ้าเราไม่ชัดในเรื่องนี้เราไม่เข้าใจเรื่องตัวธรรมธรรมะต่วนใหญ่มันมาอยู่ตรงนี้นะ คือเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่กว้างแล้วมองเห็นจุดหมายทางไปถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้เราก็จะมองอะไรไปตามที่เขาสอนเราบอกเราว่าตามกันมาเช่นทิศทของคนยุคนี้บอกว่าประเทศที่พัฒนาคือประเทศอุตสาหกรรมว่าันนะใช่ไหมเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วคือประเทศที่อินดัสเทรียลไลซ์ประเทศที่ด้พัฒนากลรพัฒนาประเทศที่ยังไม่เป็นอุตสาหกรรมก็ถือว่าการ มีอุตสาหกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นเครื่องวัดการพัฒนาเราก็อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใช่ไหมเน่ยเราก็ตั้งเป้าอันนี้ยอยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีความเจริญทางเทคโนโลยีมีวัตถุเสพมีเศรษฐกิจขยายตัวเติบโตมี G D P ตัวใหญ่ใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็วากันไปนี่ไอ้นี่ที่จริงมันเป็นเพียงเป้าหมายที่คนอื่นเขาวางแล้วเราก็ไปวาดตามใช่ไหม เราไม่ได้มองว่าไอ้ที่จริงจุดหมายของการพัฒนาเนี่ยที่แท้มันก็เพื่อพื่ชีวิตสังคมมนรรุษย์เราโลกที่เราอยู่เนี่ยใช่ไหมให้ชีวิตดีชีวิตเจริญงอกงามชีวิตดีงามมีความสุขสังคมร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนการมีความสัมพันธ์ที่ดีโลกนี้น่าอยู่อาศัยธรรมชาติแวดล้อมสดชื่นสวยงามไอ้ที่จริงก็คือเนี่ยเราอยู่กันดีเพื่อให้คนเนีอยู่กันดีในโลกที่เป็นอย่างเนี้ยมีชีวิตที่ดีสังคมที่ดีโลกที่ดีอย่างเนี้ย ที่จริงเราจะทำอะไรไม่เฉพาะการพัฒนาหรือไม่พัฒนาหรอกมันก็เพื่อจุดหมายอย่างเนี้ยนี้ถ้าเราคือไปพัฒนาตามที่ตั้งของข้อให้เรายึดกันอย่างที่ว่าจะได้มีอุตสาหกรรมอย่างเงี้ตายแน่ในที่สุดก็มาเจอเมื่อไม่นานนี้ปี30ก็ประกาศมาการพัฒนาที่ผ่านมานี้สหประชาชาติบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ไมย่ยั่งยืนใช่ไหบเพราะเหตุไปพัฒนาโดยมุ่งสากรรม โดยมีวัตถุประสงค์ขยายตัวเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทบแย่เลยเรา เ, เริ่นยุคพัฒนามาปี2 5งหใช่ไหมอันนั้นเป็นทศวรรษแรกของการพัฒนาศาสตรประชาชาติเขาประกาศเราก็ลอยตามไปด้วยศาสตรประชาชาติเขาประกาศปี1960ถงถึงปีหนึ่เป็นอะไรเขาเรียกว่าดีเวลพเมนเดเกตเป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาช่วงที่หนึ่ง มาช่วงที่หนึ่งเริ่มไทยก็เริ่มเลยยุคนั้นจปผลสลิดพอดีเลยเริ่มยุคพัฒนาใช่หพอผ่านไปแค่1972ท่านั้นเองมีเ อ, อิร์ธซัมมิตครั้งแรกการประชุมสุดยอดสูงสุดของโลกว่าด้สิ่งแวดล้อมเสียหายแล้วใช่ไหมพอมาปี30ก็กราบยาชาัยก็ประกาศเลยว่าการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ยังงยืนเพราะตัวสาคัญคือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอะไรเนี้ย ก้อ น, นี้ก็คือการที่เราไปหลงตามตอนนี้ก็คือว่าเราเป็นตัวตัวเองมามองให้ดีว่าจุดหมายการพัฒนาที่ไหนก็คือธรรมะความจริงของสิ่งท้งหลายในระบบชีวิตสังคมธรรมชาติก็ให้ชีวิตมันดีงามมีความสุขสังคมนี้ร่มเย็ยนเป็นสุขอยู่กันได้ดีเออื้ออาทรเก้อคลกั น, กนไม่เบียดเบียนกันธรรมชาติก็ง่ายอยู่อาศัยโลกนี้ดูแลสดชื่นอากาศดีน้าดี ดินดีเราเป็นต้นเนี่ยอยู่กันดีเอาละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้ามาสู่แนวความคิดนี้ใช่ไหมก็เริ่มประสานแต่ว่าเราอย่าเสียหลักก็ให้จุดหมายเนี่ยมันอยู่เออไม่งั้นแล้วเดี๋ยวไปต่อไปเดี๋ยวนี้มีบางท่านเลยบอกอย่าไปพัฒนามันว่าดีไหมเนียเพราะแค่นี้ก็เลยกลายเป็ว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยมันจะน่าพัฒนาหรือไม่มันก็อยู่ที่เราเข้าใจความหมายของคำว่าพัฒนาว่าอย่างไงแล้วมีขอบเขตแค่ไหนเอาละ ถ้าจมาพูดมาเรื่องธรรมะต่อการพัฒนาในหัวข้อที่ตั้งใหม่ว่าการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมนี่ก็เอาว่าพอสมควรแก่เวลาก็ถือว่าวันนี้เป็นการอนุโมทนาก็ถือว่าที่มาฟังธรรมวันนี้เป็นการทําบุญเพราะว่าทําบุญนี้ต้องครบสามหนึ่งทานชัดแหละมาเลียงพระสองศีลก็ถือว่า มาสัมมพฤติกรรมทำความดีกันพฤติกรรมดีก็เป็นศีลเริ่มต้นแต่ไม่เบียดเบียนอยู่ในความสงบเป็นระเบียบแล้วก็ภาวนาก็คือพัฒนาจิตใจและปัญญาทำจิตใจของเราให้สงบเบิกบานผองใสทำให้ปัญญาเกิดขึ้นในการฟังธรรมก็ทำมัทเหสนาก็ถือว่าเป็นส่วนภาวนาก็ถือว่าที่ทุกท่านทานี้ก็เป็นการที่ ทุกท่านจะภาพบูชาคุณความดีของท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยแสดงก็ถือว่าเราที่กุศลที่ได้ทําทั้งหมดนี้แก่ท่า น, นทําในนามท่านทําเพื่อท่านและจะบูชาท่านอย่างดีก็ได้ตัวเราเองนี่แหละบูชาทำต่อไปใช่ไหมพอบอกแล้วว่าบูชาคนที่ควรบูชาก็คือบูชาธรรมะที่อยู่ในตัวท่านบูชาท่านที่เป็นที่รองรับธรรมะ และบูชาธรรมะที่ท่านเป็นสื่อแสดงออกมาแล้วก็บูชาด้วยการทําโลกระสาธรรมานี้ด้วยการปฏิบัติของตอนเองเราก็จะทําการบูชาที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าสอนเสริมว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดซึ่งจะทําให้ชีวิตสังคมและโลกนี้ดํำรงอยู่ได้ดีจเจริญงอกงามอย่างแท้จริงนั่นคือเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องการพัฒนาที่ดีนีไม่พ้นธรรมก็ยุติลง ด้วยประกาศราชนีก็ขอน้อมจิตให้ทุกท่านเจ้าภาพอุทิกุศลแด่ท่านอา จ, จารย์ดรป่วยอึ้งผากรขอให้ท่านได้อนาโมธนาน้ําใจกัตัญญูกเตเวทิตาธรรมและการบูชาคุณของท่านจากลูกศิษย์ทั้งหลายทั่วทุกคนและขอให้ท่านมีความสุขและขอให้เจ้าภาพทุกท่านก็มีความเจริญ ง, งอกงามด้วยเจตุลพิตรพอนชัย มีความร่วมเย็นงอกงามเป็นสุขเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจหน้าที่การงานให้บรรลุผลสมหมายที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลกทั้งหมดโดยทั่วการทุกท่านทุกเมือ่อเทิน